กเ็เป็นผลของเนื้อที่ชำละมาแล้วฉันใดภิกษุย่อมพิจารณากายตามที่ตั้งอยู่เพราะตั้งอยู่โดยอาการใดาอาการหนึ่งแห่งอิริยาบถสี่ตามที่ทรงอยู่เพราะความเป็นกายตามที่ตั้งอยู่แล้วนั่นแหละโดยความเป็นท่าสีที่ยืนเดินนั่งนองเนี่ยพยายามมองแล้วเพ่งให้พิจารณาให้เป็นท่าสีใช้ใช้อะไรเป็นเครื่องชหละใช้ปัญญาเป็นตัวชหละแยกว่านี้ส่วนปฐวีธาตุนี้ส่วน อาโปธาต์นี้ส่วนเตโชธาต์นี้ส่วนวาโยธาตนั้นก็คือธาตุสี่ประชมกันนั่นแหละนั่งอยู่ธาตุสี่ประชมกันนั่นแหละนอนธาตุสี่ประชมกันนั่นแหละเดินธาตุสี่ประชมกันนั่นแหละลุกเดินนั่งนอนยืนเป็นไปทั้งหมดเนี่ยนะเมื่อกระจายออกมาแล้วทุกสิ่งที่เราเห็นเนี่ยล้วนแต่เป็นธาตุสี่อยู่ทั้งนั้นท่านบอกว่าอันนี้จเจริญง่ายที่สุดในโลกในบรรดากรรมฐานทุกชนิด แต่เชื่อไมวันวันหนึ่งเราคิดกี่ครั้งก็ถือว่ายัง ย, ยากอยู่ดีใช่ไหมถามว่ายากหรือง่ายไม่รู้ว่าวันวนหนึ่งคำว่าธาตุสี่นี่โผล่นในความคิดบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบนอยะ ย, ยมเล็กสายหัวเลยนะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นั่นนะก็เอามาเห็นก็นละกันนี่นะบอกว่านี่กรรมฐานตัวเนี้ยโอยถ้าใครเจริญตัวนี้ไม่ได้ก็มาต้องไปคิดเจริญอย่างอื่นแนละ้วอันเนี้มันยาบที่สุดในโลกเพราะาเอามาหาพูดมากําหนดอะไรจะยากเท่ามาหาพูดอีกแล้วไม่มี อะไรที่จะหยาบเท่าดินมีไหมหยาบเท่าน้ําเท่าไฟเท่าลมไม่มีอันนี้ใหญ่ที่โตที่สุดแล้วก็ใส่ใจโดยเท่ามันสิ่งที่ใหญ่โตที่สุดแล้วมาย่อขยายว่ามนุษย์เนี่ยนะมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายที่เราเรียกว่ามนุษย์คนสัตว์เบื้องหลังกระจายออกไปแล้วก็คือธาตุสี่ดินน้ําไฟลมอันนะจำสภาวะลักษณะว่าธาตุดินในตัวของเขามีสภาพแข็งอยู่ไหมทั้งหมดในแข็งอาโปเอบอาบเตโช เผาร้อนหรือย่อยสลายเนี่ยนะแล้วก็วายโยพัดหรือหรืออะไรไหวมันไหวยังไงก็ลองวาโยท่าไม่ปั๊มดูที่หัวใจไม่สูบฉีดตัวอะไรจะเกิดขึ้นเลือดยังสูบฉีดอยู่นะถ้ายังร่างกายนี่ยังเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ความที่เลือดสูบฉีดอยู่เนี่ยถ้าหากว่ามีอะไรไปแกะถูกเส้นเลือดไหมเลือดพุ่งเลยเนี่ยนะ แม้กระทั่งพวกน้าลายที่มันไหลออกมาก็เนื่องจากตัวที่ทําให้ไหลพวกนี้เป็นวายโยนะวายโยนี่เป็นตัวขับตัวเคลื่อนตัวที่ผลักตัวที่ดันแม้กระทั่งการกระพริบตาการยกมือเป็นต้นนี้ก็เบื้องหลังของเขาวายโยทํากิจโดยการยกปัทวีเนี่ยนะเคลื่อนย้ายปัทวีอาโปก็เกาะกลุมไปเตโชก็แผดเผาไปในสิ่งนั้ น, นนะอันนี้พี่พูดแบบแบบยอที่สุดเนี่ยนะ อันนี้เรียกว่าเป็นการกล่าวกรรมฐานโดยสังเขตว่ากาหนดกายนี่แหละตามที่ตั้งอยู่นี่แหละตามที่ทรงอยู่นี่แหละโดยความเป็นธาตุดินน้ำไฟลมทีนี้ถ้าแสดงให้พิสดารขึ้นให้พิสดารขึ้นให้กว้างขวางขึ้นปฐวีธาตุเป็นไนท่านบอกว่าสิ่งที่มีในตนอาศัยตนเป็นของแข็งหยาบที่เป็นไปอุปาทินกะคือนับเนื่องในกายที่มีวิญ ญ, ญาณครองนี้ สิ่งที่แข็งแข็งเหล่านั้นที่มีอยู่ในกายนี้มีอะไรบ้าง <c oughs> ผมขนเล็บฟันนังอัน น, นี้เรียกว่าตระจะปัญจกะนะนะมีหนังเป็นที่ห้าเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเรียกว่าวักกะปัญจกะมีไตเป็นที่ห้านะเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตแล้วก็หัวใจตับพังผืดม้ามปอด ปอดนี่เรียกว่าปัดภาษะเรียกว่าปัดภาษาปัญจกะมีปอดเป็นที่ห้าลำไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าอะไรอีกมันสมองในกระโหลกศีรษะเนี่ยนะนะอันนี้เขาเรียกว่ามัทลุงขะปัญจกะเนี่ยนะมัทหลงขะปัญจกะหมายถึงว่ามีมันสมองเป็นที่หเนี่ยนะนะหัวใจเออขออภัยลำไส้สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมอง ในกระโหลกศีรษะเนี่ยนะทั้งยี่สิบที่กล่าวไปเนี่ยนะห้าคูณสี่เท่ากับยี่สิบยี่สิบที่มีอยู่ในกายนี้เรียกว่าปฐวีธาตุเนี่ยนะปฐวีธาตุซึ่งโดยตัวที่เด่นที่สุดในสิ่งที่กล่าวไปเนี่ยปฐวีธาตุเด่นที่สุดเช่นผมเนี่ยผมก็นึกถึงผมนึกถึงอะไรก็นึกถึงความแข็งกระด้างความหยาบนึกถึงขนนึกถึงเล็บนึกถึงฟันนึกถึงผิวหนังก็เน้นไปที่อะไร ความแข็งกระด้างความหยาบเนี่ยนะถ้ามันหยาบน้อยๆเ้าเรียกอะไรเรียกว่านิ่มนวลหรืออ่อนอ่อนอ่อนเนี่ยนะอ่อนหรือนิ่มก็คือปฐวีธาตุมันไม่ได้ทํากิจมากเพราะอาโปเป็นต้นมาทํากิจมากก็เลยเรียกว่ามันนิ่มเรียกว่ามันอ่อนนะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าตัวหลักๆเขาจริงๆก็คือแข็งเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกก็ลักษณะเดียวกันอย่างถ้ากดที่ไหนแล้วมันมันแข็งนั่นแหละเป็นลักษณะของ ปัตวีธาตุเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเนี่ยนะพวกนี้ก็มีลักษณะแข็งแข็งใช่ไหม <c oughs> หัวใจตับพังผืด ม, ม้ามปอดพวกนี้ก็ยังนับเนื่องในสิ่งที่แข็งอะไรอีก <c oughs> ลำไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกระโหลกศีรษะพวกนี้ก็โดยสภาวะหลักๆก็คือแข็งแต่คาว่าแข็งในที่นี้เนี่ยนะ ก็แข็งแบบเท่าเต้าหู้นะมันก็ไม่ได้แข็งแบบลักษณะแข็งมากอะไรนะสมองแข็งมากไหมถ้าไม่ได้แช่เย็นเนี่ยไม่มากอะไรก็เท่าเต้าหู้นั่นแหละแต่ก็ถ้าเทียบกับอย่างอื่นก็ชื่อว่าแข็งถ้าเทียบกับน้ำตานะถ้าเทียบกับน้ำตาแล้วเนี่ยมันสมองนี่ก็ชื่อว่าแข็งถ้าเทียบกับมันเลวเป็นต้นเนี่ยน ะ, ม, นะมันสมองก็เรียกว่ามันแข็ง ทีนี้อันนี้คือปัทวีธาตุที่มีอยู่ในกายนี้โดยพิสดารแล้วอาโปธาตุที่มีอยู่ในกายนี้โดยพิสดารมีอะไรบ้างเห็นไหมปิดตังเสมหังปุบโพโลหิตังเสโทเมโทเห็นไหมปิดตังน้ําดีเสมหังเสมหะเห็นไหมปุบโพปุบโพน้ําหนองโลหิตังน้ําเลือดเสโทเงือเมโทมันข้นเห็นไหม มันค้นไอ้คาว่ามันค้นเนี่ยมันก็มันจับเป็นลิ่มๆเท่านั้นเองอ่ะนะมันไม่ใช่หมายขางว่ามันแข็งโป๊กอะไรไม่ใช่หมายของว่ามันเป็นลิ่มๆอ่ะนะมันค้นที่เขาดูดได้นะก็ดูดไขมันอ่ะนะพั้งเขาจึงดูดไขมันได้แต่ดูดเนื้อออกไม่มีมีแต่ดูดไขมันอย่างเง้ยนะไปดูดไขมันตายขาแต่ยังยงยุ่งเลยนี่ถ้าต่อไปอะไรเอง อสุวาสาเขโลสิงคานิกาลสิกามุตตังเนี่ยนะน้ำตามันเหลวมันเหลวเป็นยังไงรู้ได้งไงมันเหลวก็ก็จับดูอะมันมันะนะหน้ามันมัใช่ไหมเขามีกระดาษซับมันอะนะแต่ตัวที่ซับออกมานั่นแหละเรียกว่ามันะแล้วก็มันเหลวอะไรอีกน้ำลาย น, น, น, น้ำมูกและไข่ข้อปัสสาวะเนี่ยนะน้ำปัสสาวะ พวนี้ก็เป็นอาโปธาต์ก็คือเน้นที่มันเอบอบาบหรือเกาะกลุ่มเน้นตัวที่เอิบอาบหรือเกาะกลุมแล้วต่อไปธาตุไฟธาตุไฟนี้มีอยู่กี่อย่าง4ี่อย่างธาตุไฟอันที่หนึ่งคืออะไรนีธาตุไฟอย่างที่หนึ่งธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายสุดโทมสุดโทมนะทำให้แก่เร็วใช่ไหม คือทําให้แก่นะ้าทุกคนไม่มีธาตุไฟอยู่ในตัวอาจจะไม่แก่เพราะอะไรเพราะไม่เกิดคนที่ไม่มีธาตุไฟเนี่ยนะคือคนที่ไม่เกิดแต่ว่าธาตุไฟเนี่ยตัวแรกมันคือทําให้ให้แก่แล้วก็ต่อไปทําให้ป่วยไขย้เอ่อทำให้อาไอป่วยหนึ่งนะหนึ่งทำใหช้ชิรณะเตโชสอง อุณหะเตโชทำให้อบอุ่นต่อไปอีกทำให้ป่วยไข้แล้วก็ย่อยอาหารนะนะช่วยเกี่ยวกับระบบย่อยที่ทำให้ร่างกายแต่ละส่วนนี่มันสลายออกไปเนี่ยนะดง <c oughs> ั้นพวกธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายสุดโมทมธาตุไฟที่ทำให้ย่อยธาตุไฟที่ทำให้ป่วยไข้เนี่ยนะเวลาไข้ขึ้นเนี่ยนะเวลาไข้ขึ้น พวกนี้ก็เป็นธาตุไฟที่มีอยู่ในกายนี้อาศัยน้าเนื่องอยู่ในกายนี้ส่วนธาตุต่อไปก็คื อ, อวายโยธาเนี่ยนะวายโยธาคิดยังไงลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างในช่องท้องในลำไส้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ลมพัดทั่วสารพางกายอันนี้ก็เป็นวายโยธาทั้งหก ทีนี้ในสิ่งเดียวกันเนี่ยนะแบบพิสดารอย่างนี้ก็มาจําแนกออกเป็นสส่วนใช่ไหมส่วนธาตุดินยี่บธาตุน้ำสิบสองธาตุไฟสีธาตุลมหก็มาดูว่าในธาตุดินยีสิบนั้นก็มีธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอยู่ในนั้นด้วยเช่นในตัวผมเองเส้นผมเองก็มีอะโปธาตุเพราะว่ามีมีอะไรอยู่ปนอยู่ด้วยมีน้าน้ํำปนอยู่ด้วยใช่ไหม น้ำหนองน้ำอะไรเป็นต้นน้ำเลือดน้ำมันข้นก็มาปนเออเขอไปน้ำมันเหลวก็มาปนเส้นผมอีกเนี่ยนะเช่นผมผมดูแล้วเป็นมันหรือไม่เป็นมันนี่ก็ดูที่อะไรดูที่อะโปธาต์อะโปธาต์นี่มันบอกว่าผมมันหรือว่าผมแห้งกระด้างเนี่ยนะหรือใกล้จะหักเต็มทีได้อย่างไงนะแล้วตัวที่ทําให้เกาะเกาะทำให้มันยึดแน่นๆอยู่ก็ตัวอะโปถ้าอะโปเหล่านั้นแห้งเหือดไปหมดเลยนะผมเนี่ยามาหักได้เลย เป่าได้เลยทันทีเนี่ยนะถ้าอาโปไม่ไม่ไปทำให้มันเอบอาบอยู่นั่นนะ่ะแล้วเตโชเตโชมีอยู่ในมีอุณหภูมิไหมในเส้นผมมีมเพราะอุณหภูมิเหล่านั้นพวกสิ่งเหล่านั้นเป็นต้นเนี่ยนะมันจึงทำให้ผมมันเปลี่ยนสีใช่ไหมอนุภาพของเตโชเนี่แหละทำให้ผมเปลี่ยนสีไปได้แล้วก็อนุภาพของวาโยโล่ะวาโยโอลเพราะถ้า วายโยไม่มีอยู่สิ่งนั้นนะสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีการเคลื่อนแต่เนื่องจากมีวายโยอยู่ในเส้นผมเนี่ยเส้นผมจึงมีการเคลื่อนเคลื่อนไหวโดยการงอกไปเรื่อยๆใช่ไหมงอกไปเรื่อยๆงอกไปเรื่อยๆผมก็เลยงอกอันภาพพิสูจนก็เลยโกนเกือบทุกเดือนกันเนี่ยนะว่ามันงอกไปเรื่อยมันการขยับตัวเหล่านี้ถ้าไม่มีวายโยนะมันขยับตัวไม่ได้หรอกท่าเส้นผมเหล่านี้ น, นะผันสรุปว่าในผมก็มีท่าสี่อันนี้คือเป็นการคิดที่ละเอียดลงไปอีก ขนก็มีท่าสี่เล็บก็มีท่าสี่ฟันก็มีท่าสี่ผิวหนังก็ประกอบไปด้วยท่าสี่เนื้อก็ประกอบด้วยท่าสี่เอ็นก็มีท่าสี่กระดูกก็มีท่าสี่นะเยื่อในกระดูกก็มีท่าสี่ไตก็มีท่าสี่หัวใจก็มีท่าสี่นะตับก็มีท่าสี่ม้ามก็มีท่าสี่พังผืดก็มีท่าสี่ปอดก็มีท่าสี่ลำไส้ตั้งแต่ หลุมคอไปจนถึงที่ที่ขัดถ่ายเนี่ยนะลำไส้เหล่านั้นก็ประกอบไปด้วยท่าสี่ไอตัวที่ยึดไส้เอาไว้ก็มีท่าสี่อาหารใหม่ก็ประกอบไปด้วยท่าสี่อาหารเก่าก็ประกอบไปด้วยท่าสี่มันสมองในกระโหลกศีรษะก็ประกอบไปด้วยท่าสี่ยังไงอีกต่อไปตัวน้ําดีมีท่าสี่ไหม น, น้ำดีเนี่ยนะเมื่อเนื่องจากมีท่าสี่น้ําดีจึงเป็นนิ่วได้เพราะมันจับเป็นก้อนได้ใช่ไหม เันก็มีปัทวีธาตุมีอาโปธาตุมีเตโชธาตุและมีวายโอธาตุเนื่องจากว่านี้วน้ำน้ำดีเนี่ยนะมีเตโชธาตุน้ำดีจึงช่วยย่อยอาหารได้ย่อยอะไรย่อยไขมันในร่างกายนะก็เนื่องจากว่าในตัวน้ำดีมีธาตุมีเตโชธาตุนี้ถ้าน้ำดีไม่มีวายโอธาตุน้ำดีจะเคลื่อนตัวไม่ได้นะก็เนื่องจากมีวายโอธาตุปัทวีอาโปเตโชวายโอมีอยู่ในน้ำดี น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำน้องน้ำมันข้นน้ำมันเลวน้ำไข่ข้อในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นที่รวมของธาตุสีโดยหลักการตัวแรกก็จะแยกออกมาก่อนไว้ว่าธาตุดินกลุมหนึ่งธาตุน้ํากลุมหนึ่งธาตุไฟกลุมหนึ่งธาตุลมอีกกลุ่มหนึ่งทีนี้ในธาตุดินก็ยังประกอบไปด้วยธาตุสีในธาตุน้ําก็ประกอบไปด้วยธาตุสีในธาตุไฟก็ประกอบด้วยธาตุสีในธาตุลมก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่เพราะเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่รวมของ ท่าสี่นะที่รวมแห่งท่าสี่พอรวมแห่งท่าสี่อย่างนี้แล้วในผมเนี่ยมีมีมท่าสี่ที่ใดมีท่าสี่ที่นั่นต้องมีอะไรอีกเนี่ยที่นั่นมีอะไรมีท่าสี่เพิ่มหนึ่งปฐวีอาโปเตโชวายโย ส, สีแล้วใช่ไหมที่ใดมีท่าสี่ที่นั่นต้องมีสีสสกลิ่นรส <ถ S 1> โอชา<ส>เป็นแปดรูป<ส>เป็นแปดเนี่ยนะ แล้วในแปดรูปเนี่ยผมเหล่านี้ถ้ามีกรรมเป็นสมุธฐานก็มีชีวิตแต่รูปถ้าอยู่ในส่วนที่รากผมก็มีกายภาษาทะอยู่ด้วยก็เลยกลายเป็นสิบกลายเป็นสิบรูปคืออันนัคิดไหมเอวินิโพครูปแปดธาตุสี่บวกสีกลิ่นรสโอชาเป็นแปดบวกชีวิตกับบวกกายก็เป็นสิบอันนี้เรียกว่ากายทัศกะ เพราะเนื่องจากในเส้นผมมีกายอยู่ด้วยจึงมีการคันนะมีจึงการมีการคันมีการอะไรเช่นคันเป็นต้นเนี่ยหรือรู้สึกสบายไม่สบายเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็เนื่องจากว่าที่รากของผมมีกายะะาะกายะปรสาทะกายยะปรสาทะก็มีอยู่ที่รากของผมเวลาดึงออกมาจึงจึงเจ็บเพราะว่ามีการติดกับอะไรเส้นประสาทใช่ไหเส้นประสาทเหล่านั้นเราเรียกว่ากายยะปะสาทะ ที่ใดมีกายภาษาธาตุที่นั่นต้องมีอะไรอีกมีภาวะรูปมีบางพวกเป็นนับปุ่มส ก, กะแต่ว่าไม่ไม่ไม่เอาเป็นประมาณนะนะเอาเอาคนเต็มเต็มหน่อยนะเป็นชายเต็มหญิงเต็มเป็นต้นเนี่ยนะก็มีภาวะรูปอยู่ด้วยวันผมของผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่เหมือนกันเนี่ยนะอันนี้บวกภาวะรูปเนี่ยนะก็คือมีภาวะเป็นที่สิบนะถ้าเราคิดนะ ถ้ากายทัศกะผมมีกายทศกะมีกายเป็นที่ส0ถ้าภาวะทัศกะก็มีภาวะเป็นที่10บเ้าที่เหลือมีอะไรบ้างมีหมหาปูตรูปสีสีกลิ่นรสโอชาและบวกชีวิตเข้าไปานะแล้วก็ในกลุ่มของกายในกลุ่มของภาวะทีนี้เส้นผมของเราเนี่ยถามว่ามันเกี่ยวข้องกับอาหารหรือไม่เกี่ยว เ, เพรามันก็อาหารเนี่ยก็มีรูปอยู่แปดรูปมันะจะต้องอาศัยอาหารมาบำรุงเพรามันถ้าขาดอาหารบางอย่างผมร่วงได้ไหมได้เนี่ยนะเพราะกายผมคือกายกายคือผมเหล่านี้ต้องอาศัยอาหารจึงเป็นไปได้จึงดํารงอยู่ได้มันอาหารทั้งหมดเนี่ยจำแนกยังไงมันก็ได้แปรูปไม่เกินกว่านั้นหรอกทีนี้เมื่ อ, ออาศัยอาหารเนี่ยนะถามว่าจิตมีผลต่อเส้นผมไหม เพราะฉะนั้นถือว่ารูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานเนี่ยเป็นปัจจัยอยู่แถวเส้นผมพมันก็จิตเหล่านั้นก็มีอยู่อีกแปดรูปแปดรูปแล้วอุตุล่ะก็พวกนี้นะจากกายทัศกะแปรไปเป็นอุตุจิตทัศกะจิตตะอวินิโพครูปไปแปลไปเป็นอุตุชรูปอาหารแปลไปเป็นอุตุชรูปแล้วก็อุตุแปรไปเป็นอุตุอีกครั้งก็เรียกว่าอุตุชรูปก็มีอยู่ใน ในเส้นผมเนี่ยนะก็กลายเป็นรูปเท่าไหร่สรุปก็สี่สิบสี่รูปกายกายทัศกะ1สิบภาวะทัศกะ1สิบจิตแปดอุตุแปดอาหารแปดก็เลยได้รูปสี่สิบสี่รูปเนี่ยนะก็มองเห็นจริงเราก็ได้ยินมาก็ไล่ได้นะแต่ว่ามาไล่ชีวิตจริงเวลาวีผมเนี่ยนะสี่สิบสี่รูป หมือกลัวว่าเป็นการคิดไม่กลัวนะปัญหาว่าทําไมมันไม่ค่อยคิดเออตรงนั้น น, นะทําไมไม่ค่อยคิดแบบนี้เนอะยคิดแบบอกเออเนี่ยพิจริงพระก็น่าจะดีนะโกนหนึ่งแกลกก็เออรูปแปดรูปเนี่ยนะเกษาแปดรูปใช่ไหมเกษาสมุไทยแล้วค่อยว่าอีกทีนึงนะให้มันไลเน่เกษาด้อยว่าเกษามีกี่รูปเนี่ยนะโอ้เกษาสี่สิบสี่รูปเนี่ยนะ อันเวลารูปผมจับผมอะไรเมื่ อ, อไหร่ก็นึกไว้เลยนะสัญญามณสิการเลยว่าสี่สิบสี่รูปแต่วิธีไล่เนี่ยนะไม่ใช่โห้สี่สิบสี่มีอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยนะแต่ว่าวิธีไลใ่ให้มันได้นะเอาอยากที่สุดเลยบอกว่ามันท่าสี่เท่านั้นแหละที่นี้มันเป็นสี่สิบสี่เนี่ยเข้าไล่มาจากปัจจัยแต่ว่าตัวผมจริงๆมันก็แบบนับแล้วไม่นับอีกนะมีอะไรบ้าง อาวินิโพคขรูปแปดบวกชีวิตหนึ่งบวกภาวะหนึ่งบวกกายอีกหนึ่งเท่านั้นแหละที่เหลือซ้ำกันหมดถ้าเรียกนับพูดแบบไม่ซ้ำเลยนะก็คือเนี่ยมหาภูตรูปสีสีเกล่นรสโอชาชีวิตภาวะกายะมีอยู่สิบเอ็ดรูปเท่านั้นเองแต่ที่ไล่เป็นพิเศษว่าโอ้มันเยอะมากก็ไล่ด้วยอเช่นเนี่ยนะกายกรรมมัชรูปมานะ การมชรูปมียีสิบนะเพราะว่ากลมกายยัทธสกกะกับภาวะทัศกะไม่ได้ปนกันแต่อยู่ใกล้ๆกันอยู่แทวๆนั้นแหละแล้วต่อไปอาศัยอาหารชรูปอีก8อุตูชรูปอีก8ดจิตตชรูปอีก8ดทีนี้ในสิ่งเหล่านั้นเบื้องหลังก็มาจากท่าสี่นั่นแหละก็เลยเรียกว่าท่าสี่ฟันท่านึกถึงผมก็นึกถึงท่าสี่ท่าสี่ที่คิดอีกในหนึ่งบอกว่าท่าสี่ที่ใดมีท่าสี่ที่นั่นต้องคูณบวกเข้าไปอีก4ทุกทุกท่าเลยใช่ไหม ทุกท่าสี่ที่ใดก็ต้องบวกอีกสี่นี้ในท่าสี่เหล่านี้บวกสี่เข้าไปเนี่ยนะก็เป็นอวินิพโยค ร, รูปแปดท่าคูณสมุทฐานสี่ได้เท่าไหร่ <5. S 1> ก็สามสิบสองเท่าไหร่อนนะทีนี้ที่เกิดจากกรรมเนี่ยมันมีอยู่สองกลุ่มก็ถ้าคิดแบบง่ายๆ น, นะอวินิพโยค ร, รูปแปดห้ากลุ่มกลุ่มไหน กลมกรรมจะชรูป2กลมจิตจชรูปหนึ่งกลมอุตูจรูปหนึ่งกลมอาหารชรูปหนึ่งกลมอะไรหมดแล้แล้วก็ถ้าเป็นกรรมชรูปนะบวกชีวิตบวกตายหรือบวกชีวิตบวกภาวะแค่นั้นเอนงนะ ก, ก็ในผมในที่นี้พยายามไม่อยากจะเขียนเนี่ยนะเพราะว่าเสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นการพิจารณาในชีวิตที่เป็นจริงไม่งั้นก็ไล่ตัวเลขได้เฉพาะในกระดาษก็เลยกลายเป็นปริญญากระดาษอันนี้ไม่ใช่ปริญญากระดาษ จบจบพเดียวไม่จบก็คือไม่จบของใครก็ของใครนั่นแหละนะไม่ใช่ปริญญากระดาษเด็ดขาดนั่นเะลนะเพราะของมาก็ไม่มีนันะเนระนั้นก็เน้นนะมามาพิจารณาในชีวิตที่เป็นจริงว่าเออผมสี่สิบสี่รูปผมฉันใดขนก็ฉันนั้นนั่นแหละนะคล้ายกันแต่ถ้ามองผมกับผลเหมือนกันเมื่อไหร่ก็ยุ่งนั่นแหละนะ แต่ว่าหมายเขาว่ามันคล้ายกันเฉยๆเนี่ยนะว่าหลักการนับหลักการพิจารณาเหมือนกันแต่สภาวะของผมกับขนก็ไม่เหมือนกันเนี่ยนะเพราะผม44รูปฉันใดขนก็44รูปฉันนั้นขน4ีบสรูปฉันใดเล็บก็44รูปฉันนั้นผมกับเล็บฟันเอ่อผมขนเล็บคนละอย่างเลยนะแล้วก็เล็บฉันใดฟันก็ฉันนั้นเนี่ยนะ ฟันชั้นใดผิวหนังก็ชั้นนั้นนะก็พวกนี้มี44รูปเหมือนกันแต่โดยสีก็แตกต่างกันโดยกลิ่นก็แตกต่างกันโดยรสก็แตกต่างกันสีของผมกลิ่นของผมรสของผมโอชาของผมก็ต่างจากเล็บต่างจากฟันด้วยเปรีอย่างกันนะคือในความเป็นาธาตุมันแตกต่างกันแต่โดยการนับเหมือนกัน อัน้นวิธีการนับแบบว่ากรอกแบบฟอร์มเนี่ยนะแบบฟอร์มเหมือนกับสมัครงานสมัครอะไรก็วิธีกรอกก็เหมือนๆกันใช่ไหมแต่ว่ารายละเอียดเหมือนกันไหม ไ, ไม่เหมือนว่ารายละเอียดของผมก็อย่างหนึ่งของขนก็อย่างหนึ่งของเล็บก็อย่างหนึ่งของฟันก็อย่างหนึ่งของหนังก็อย่างหนึ่งของเนื้อก็อย่างหนึ่งของเอ็นของกระดูกของเยื่อในกระดูกของไตหัวใจตับพังผืดเป็นต้นก็คนละอย่างคนละอย่างไปตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมาฝึกคิดสิ่งเหล่านี้ให้พิสดาร เดี๋ยวพอไปเรียนอุทยพยัญญ า, ยาแล้วจะรู้ว่าฐานการคิดเรื่องนี้จําเป็นมากเห็นไหมฐานเรื่องการพิจารณาสิ่งเหล่านี้จําเป็นมากต่อการพิจารณาเรื่องเหตุเกิดความดับนะการเกิดโดยในยะต่างๆความเสื่อมโดยในยะต่างๆเพราะการพิจารณาพวกนี้เป็นบาดชั้นดีของอุทยพ ย, ายาัญญาผนคนจึงศึกษาแบบนี้เนี่ยนะก็ไม่ค่อยชอบโอ้ยนี่มันจะต้องมานับมาไล่อะไรขนาดนี้ แล้วก็พยายามไม่ให้ไม่ให้คิดเพราะคิดแล้วมันฟุ้งซ่านเขาว่างอันนะซึ่งไม่ใช่เนี่ยนะเพราะบาดพื้นฐานตัวนี้มันเป็นฐานเป็นอย่างดีเลยเป็นบาดฐานอย่างดีเป็นการวางอะไรให้กว้างขวางต่อไปในระยะที่มันละเอียดลึกซึ้งต่อไปไม่อย่างนั้นไม่สามารถเอามาใช้ในชีวิตที่เป็นจริงได้เพราะความรู้ตัวนี้มันเป็นเรื่องทิฏฐิท่านบอกว่าทิฏฐิวิสุธทธิใช่มันเป็นเรื่องของความเห็น ทำยังไงที่เราจะปลูกฝังทิฐิเหล่านี้ลงไปในชีวิตที่เป็นจริงอ่ะนะในชีวิตที่เป็นจริงก็อย่างอื่นนะเช่นปลูกฝังในเรื่องภาษาธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเรายังปลูกฝังกันได้ใช่ไหมถ้าปลูกฝังทิฏฐิเหล่านี้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนทําไมจะปลูกฝังไม่ได้การปลูกฝังทิฐิอันนี้เรียกว่าทิฐิวิสุทธิทําความเห็นของตนให้บริสุทธิ์เป็นการปลูกฝังทิฏฐิลงไปใน ในอารมณ์ทั้งหลายโดยความเป็นรูปมันในรายละเอียดของรูปว่าภูตรูปและอุปาทายรูปในภาพปฏิบัตินั้นเนี่ในภาพปฏิบัติคือสงเคราะห์อเอาภูตรูปอุปาทายรูปที่เกิดในสมุทฐานต่างๆลงในชีวิตของที่เราเรียกว่าคนสัตว์ต่างๆเนี่ยนะที่เรียกว่าคนสัตว์ต่างๆฮัล์นเวลาเห็นสุนัขวิ่งมาปั๊บก็ไล่นั่งไล่เลยในชะ่ไหมก็ค่อยนึกแต่สําคัญว่านึกนึกห น, น่อยหน่ อ, นอมันก็หมดนึกคือนึกไม่ชํานาญอย่างนั้น อันนี้จริงๆเนี่ยไอการมองนามรูปแล้วกระจายแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการกระจายไวยกรชีวิตไวยกรแปลว่าจำแนกใช่ไหมใช่ไหมครับอาจารย์อันนั้นก็ทำให้แจ้งก็ก็ทาให้แจ้งที่จะแจ้งได้ก็มาแจกมาแจงนั่นแหละมันก็คือเป็นไวยกรชีวิตเป็นเรื่องราวของชีวิตที่จะต้องเอามาวิจัยมองอะไรก็ต้องเป็นนักวิจัยอย่างนี้อันนใครควรอย่างนี้เรียกว่าฝึกทาปริญญา ในชีวิตที่เป็นจริงแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ธาตุดินน้ำไฟลมไม่ก่อนก็ยังดีเนี่ยนะใส่ใจว่าดินน้ำไฟลมแต่ถ้าค่อยๆขยายขยายขยายลงไปได้กว้างขวางสับเท่าไหร่ก็ยิ่งจะดีขึ้นเท่านั้นเนี่ยนะค่อยๆจาแนกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอะไรองไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกระโหลกศีรษะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมันข้นน้ำมันเลี้นน้ำไขข้อน้ำมูก น้ําปัสสาวะแล้วก็ธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายสุดโทมแก่ชราธาตุไฟที่ย่อยสลายแล้วก็ธาตุไฟอีกตัวหนึ่งคือทําให้ป่วยให้ไข้ธาตุลมพัดขึ้นเบื้องบ น, บนลมพัดลงเบื้องล่างลมในช่องท้องลมในลําไส้ลมพัดทั่วสารพรางกายลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าใครเข้าใจหรือสาธยายเจริญเหล่านี้เป็นปกติอัตยาใสนะ กายานุปัสนาสติปทานไม่สู้จะยากเพราะการพูดตรงนี้กับกายานุปัสนาสติปทานคือสิ่งเดียวกันนนะคือสิ่งเดียวกันเมื่อมีการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะแต่การพิจารณาโดยความเป็นธาตุในจตุธาตุ ว, วัฏฐานเนี่ยเป็นการเน้นพิจารณาในในคิดง่ายๆว่าวผมมันก็ไม่รู้หรอกว่ามันงอกบนสีสะีสะเนี่ยนะมีหนังสีษะใครรู้ไวมว่าผมตัวเองเนี่ยมันงอกอยู่บนนั้น ไม่รู้ต่างฝ่ายต่างไม่รู้มันคิดไม่เป็นหรอกพวกนี้มันโง่มากเพราะมันไม่มีจิตไม่มีชวนะไม่มีอะไรเลยในรูปเหล่านั้นมันจึงคิดไม่เป็นผมก็ไม่รู้ว่ามันตัวเองเนี่ยงอกอยู่บนงอกหรืองอกอยู่บนหนังศีรษะมันก็ไม่รู้หรอกไอ้หนังศีรษะก็ไม่รู้ว่าผมนี่งอกอยู่บนตัวเองมันงอกอยู่บนตัวเองพูดอย่างนี้ไม่ได้กระทบใครนะผมมาก็งอกเหมือนกัน อ, อก็ตั้งหลายเส้นมันก่อนบอกว่าใครถ้าถ้านับเจอนะผมจะมีอะไรให้ก็บอกว่าโอ้ยเจอทั้งหลายเส้นเลยเกือ <c oughs> บขาดทุนแยะมันง <c oughs> อ, อกตั้งหลายเส้นแล้วนะแต่แดงว่าได้สมัยที่จะต้องบาเพ็ญสมณธรรมแล้วเพราะขณะนี้อะไรนะมหาพูดอะไรนะเทวทูตมาเตือนขนาดนี้ยังไม่รีบก็ช่วยไม่ได้แล้วเนาะนี่ต่อไปว่าอ้าวพร้อม นะไข้ครวญสิ่งเหล่านี้ให้บ่อยๆให้ชํานาญนะให้ให้เป็นไปในชีวิตที่เป็นจริงมีการจำแนกมีการกระจายสิ่งเหล่านี้ให้เป็นไปกับธาตุสี่เมื่อมองออกว่าเออธาตุสี่ประชุมกันใส่ใจว่าธาตุเหล่านี้ต่างเป็นอัพยากตะอัพยากตะคือคืออะไรไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเป็นแต่อัพยากตะเป็นมหาพูด เป็นสิ่งที่นิสตตะนิชีวะนิสตตะไม่ใช่สัตว์นะผมนี่ใครวิจัยเห็นอะไรอยู่ในนั้นมัางมีสัตว์อยู่ในผมไหมโยมบางคนบอกมีสิก็เขาเต็มหัวไงว่างเง้นอันนั้นใช่สัตว์ไหมเขาแล้วเอาจำแนกเขามาอีกสิอย่างเงนะคือเฉพาะตัวผมเนี่ยนะมันไม่มีสัตว์จริงๆในนั้นแต่อาจจะมีสัตว์ไปเกาะถ้าสัตว์ตัวนั้นมาจำแนกออกมาอีกแล้วถ้าจำแนกไปจำแนกไปมันก็นิสัตตะมันไม่ใช่สัตว์อยู่ในนั้นจริงๆเห็นไนะ ของมานี่เคยแอบเล่นวิทยุยมพ่อตอนไมเด็กๆนะเสียไปเป็นเครื่องเลยเราก็เปิดมามันได้ยินใช่ไหมเราก็อยากดูว่าใครมันอยู่ไปอยู่พูดข้างในนั่นนะเนีเราก็เลยมารื้อๆเสร็จแล้วประกอบไม่เข้าแล้วก็โดนตีอีกตามสูตรนั่นคือแยกๆออกไปแล้วมันไม่มีอะไรจริงๆเลยเขาเรียกว่านิสตตะนิชชีวะของเดรธีเดรธีก็บอกเหมือนกับว่ามันมีชีวะอยู่ในนั้นจริงๆเนี่ยนะเสร็จแล้วต่อไป นิสตานิชิวะสุญยะเป็นอเจตนามันไม่มีเจตนาไม่มีความจงใจมันไม่มีความรู้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะผมขนเล็บฟันหนังมันคิดไม่เป็นแล้วผมนี่มันก็ไม่รู้ว่าตัวเองนี่ตั้งอยู่บนหนังศีรษะหนังศีรษะมันก็ไม่รู้ว่าตัวเองนี่หุ่มกะโหลกศีรษะกะโหลกศีรษะก็ไม่รู้ว่าตัวเองนี่หุ่มมันสมองนะถ้าคิดลึกๆลงไปมันสมองมันก็ไม่รู้ว่าข้างในมัน มันถูกอุ้มด้วยกระโหลกศีรษะกะโหลกศีรษะก็ไม่รู้ว่าหนังเนี่ยมาอุ้มหนังก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยมาอุ้มบนบนสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ธาตุน้ําที่มันอาศัยอยู่ในสิ่งเหล่านั้นต่างฝ่ายก็ต่างไม่มีความรู้ซึ่งกันและกันเลยสิ่งเหล่านี้เป็นอัพยากตะเป็นอเจตนานิสตะ น, นิชชีวสุญญสภาวะศูนย์หมายว่ามันว่างจากความงามถ้าจําแนกผมแบบนี้นะไล่ไปอย่างนี้เนี่ยถ้าใครคิดว่า ง, งามได้ก็ อัศจรรย์ใจมากว่าคิดได้ยังไง่า ง, างั้ น, <_ name> นนะก็มันก็ไม่มีความงามอยู่ในนั้นไม่มีอะไร อ, อีกมนะั้งไม่มีความเที่ยงเนี่ยนะผมคนเล็บฟันหนังในไล่ไปมันไม่มีความเที่ยงแต่ถ้ามีการแยกอย่างงี้จะเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็คำว่าธาตุบางทีมแปลว่าทรงไว้ซึ่งสารพัดทุกข์ว่างั้นเถอะทรงไว้ซึ <_ buzzing> ่งสรรพทุกข์อันนะร่างกายของเราเนี่ยมันทนไว้ซึ่งสารพัดทุกข์ทุกในโลกถ้ายังมีกายเหล่านี้อยู่ต้องรับไหม โรคสารพัดในโลกเนี่ยนะโรคนะโรคภัยไข้เจ็บถ้ายังมีกายอยู่เนี่ยมีสิทธิ์ไปไปโครจรไปเจอกันอยู่ได้ไหมกับโรคนั้นๆได้โรคที่คนอื่นเขาเป็นเป็น เ, นเนกันเนี่ยนะถ้ายังมีกายนี้อยู่ในวัตตะกายเหล่านี้แหละจะไปแบกโรคทั้งหลายเหล่านั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นมันทรงไว้ซึ่งทุกทรงไว้ซึ่งกองทุกขแล้วมันที่ที่มันน่าเบื่อมากก็คือมันเป็นมหาพูดนี่สิมันหลอกเอาหลอกเอาเนี่ยนะแล้วก็มหาพูดนะอามา จำในาธาตุการเจริญาธาตุจำง่ายง่ายอยู่คือมหาผีแล้วก็มหาบริหารเสร็จแล้วก็มหาพิการจำสามข้อง่ายๆไว้คิดดีคือหนึ่งมหาผีคือมันหลอกอะนะมันหลอกเรามันตรงเงินข้าหมดเลยเนีย่ยนะคือคือเราสมมุติว่าอย่างเช่นกายเหล่านี้นะเราบอกว่าสวยอล้วจริงๆรอ่ะจริงจริงเลยนะเราถลกถลกไล่เลื่อยทอทอทอ ท, อทอไปเรื่อยเรื่อยนะทําใจได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบ เส้นผมเนี่ยถ้ามันอยู่บนที่สะอาดแล้วก็ว่ามันงามถ้ามันหลุดออกมาดิเดินไปเนี่ยเดินขยับหนึ่งทีร่วงไปครึ่งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเหมนกันก็ทาใจไม่ได้อยูแล้วใช่ไหมมันแล้วโดยกลิ่นอ่ะเอาอน น, นแล้วกลิ่นมีหอมไม่ในร่างกายเนี่ยนะอะไรก็ตามเถิดถ้ามันออกมาจากตัวคนเนี่ยนะแม้กระทั่งพูดเออมันก็พูดดีนะแต่ว่าคําพูดนี่จะมาใกล้จมูกมากนะักมันจะลําบากใจเนี่ยนะ มันก็คือแสดงว่ามันไม่ได้ดีจริงอะไรอะไรก็ตามที่มันหลุดจากกายนี้นะสิ่งนั้ำเนี่ยคนรังเกียจที่สุดเลยอย่างไห้องน้ําทั้งหลายแหละเนี่ยคนเกลียดมากแต่จริงมันนั้นน่ะออกจากกายนี้เหล่านี้แหละมันก็ปฏิกูลแล้วก็อะไรอีกอั น, นิด จ, จังอย่างใครที่เป็นนักประวัติศาสตร์หน่อยเนี่ยนะเชื่อไหมเรียนได้เรื่องคนตายอย่างเรียนพุทธศาสนานียเอาย ก, ยกเอาเหตุการณ์ของคนตายมาเรียนซะส่วนใหญ่เนี่ยนะ คนตาเหล่านั้นก็เคยมีกายกายเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงเห็นไหมก็เสื่อมสิ้นสลายไปหมดแล้วแล้วก็อันาตาแล้วใครมีอํานาจอย่างแท้จริงในกายนี้บ้างนนาก็ไม่มีใครมีอํานาจเพราะศูนย์จากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนและศูนย์จากอัตตาที่ภารชนทั้งหลายคิดศูนย์จากอัตตาที่เดียร์ถีทั้งหลายไปครุ่นคิดคิดกันเอาขึ้นเพราะฉะนั้นกายเหล่านี้จึงเป็นที่ทรงไว้ซึ่งธาตุสี่ทรงไว้ซึ่งทุกข์ แล้วก็อ่านะมาหาหลอกก่อนนะหลอกเพราะในสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยมันไม่จริงอย่างที่เราคิดหรอกเชื่อเหอะต่อไปมาหาบริหารนะมาหาบริหารเขามาชอบถามว่าคนนี้น้ําหนักเท่าไหร่ดูโอ้โหเนาะถามโยมคนหนึ่งบอกผมเก้าสิบครับความนั่นเออแต่ลูกก็เก้าสิบนั่งเก้าสิบนอนเก้าสิบเดินเก้าสิบแบกเก้าสิบไปลออแล้วก็ทีละเก้าสิเนี่ยนะลูกก็เก้าสิบมันทุกขนาดไหนงไี่ยน้ําหนักขนาดนี้ดูเอ่านะ ก็ก็ถือว่าหนักมากเลยนะมหาภาระเลยแหละคิดดูนะนอนก็ต้องเอาไปนอนเก้าสิบกิโอย่างเงี้ยนะนั่งก็นั่งเก้าสิกโลบอกคนหนึ่งบอกผมร้อยเศษเศษเองงเงี้นโอ้โหเนี่ยก็จะลุกทีก็เอาพยุงเก้าสิบกิโลลุกขึ้นอย่างเงี้ย น, นะนนพยุงเก้าสิบกิโลนั่งลงนอนลงเนี่ย โ, โหมหาภาระจริงๆนหนักจริงดีนะว่ายังมีไอ้ไอไวาโยธาตอยู่บ้างถ้าจะจุจติหนักกว่านี้อีกเยอะเนี่ยนะกายนี่มันมัน มหาบริหารจริงๆคิดดูน่เราต้องลุกขึ้นมาแต่เช้าแปรงฟันให้ตามเวลาล้างหน้าอาบน้ําให้ตามเวลาต้องกินตามเวลาต้องดื่มตามการเวลาต้องคอยบริหารแล้วบริหารขันเอ่อมหาพูดภายในกว่าแล้วบริหารมหาพูดไปแล้วเนี่ยโอ้บริหารยากจริงๆเลยนะเขอยู่แค่แค่ก็แล้วไม่กี่ร้อยไม่ถึงร้อยปีเนี่ยนะขณะนั้นบริหารยากจริงๆเลยแล้เพราะเพราะทุกคนมันช่วยๆกันบริหารต่อไปอีกนะ ก็เลยยากแล้วมหาบริหารเสร็จในที่สุดก็มหามหาพิการเพราะฉะนั้นเรื่องงานศพจึงเรื่องใหญ่มากเนี่ยนะก็เรื่องอะไรมหาพิการแต่ว่ามหาพิการตั้งแเริ่มมหาพิการก่อนตายแล้วใช่ไหมพิการอะไรถ้าแบบโบราณบอกพิการมือพิการเท้าเนี่ยพิการตาพิการหูพิการฟันอะนะพิการลำไส้พิการหัวใจพิการตับแล้วเริ่มพิการอะไรตต่างเลยอันนเริ่มพิการแล้วก็วิการพิการแล้วก็มหาพินาศ เดินนะแล้วก็แตกสลายทําลายไปหมดแต่ว่าภาลชนทั้งหลายก่อนตายเนี่ยนะทำกรรมเพื่อให้มีสิ่งเหล่านี้เบียดป้อมแล้วเพราะนนั้ทิ้งธาตุนี้ก็ไปถือเอาธาตุกองใหม่ทิ้งธาตุกองกองกองนี้ก้อนนี้ก็ไปถือเอาธาตุกองใหม่เที่ยวแสวงหาธาตุไปเรื่อยเนี่ยนะนี้ถ้าหากว่าใครที่อยากจะคิดแบบพิสดารต่อไปอีกก็มาคิดเช่นผมขนแล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไต หัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่เออขอไปกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้สายรั้ไส้มันสมองน้ำดีน้ำเสมหะเลือดมันข้นลัสิกาคือน้ำมันเหลวเออขอไปลัสิกาคืออะไรน้ำไขข้อใช่ไหมว่าสามันเหลวพวกนี้ทั้งหมดมีรูปสี่สิบสี่รูป คือพวกนี้มีรูปสี่สิบสี่รูปท่านบอกว่าโกฏธาตุยี่สิบสี่เนี่ยมีอยู่มีอยู่สี่สิบสี่รูปทั้งหมดเลยส่วนรายละเอียดนี้เท่าที่เคยฟังมาว่ามีผู้เขาทำตารางไว้ไใช่ไหม ก, ก็ไปดูตามตารางเอาเหล่านั้นก็นแล้วกันส่วนที่มีจิตกับมีอุตุเป็นสมุธฐา น, นนะธาตุเหล่านี้ที่เกิดจากจิตเกิดจากอุตุคืออะไร เหงื่อน้ำตาน้ำลายแล้วก็น้ำมูกนะอุตุก็ทําให้เกิดเหงื่อเกิดน้ําตาเกิดน้ําลายเกิดน้ํามูกได้จิตก็เป็นเหตุแห่งเหงื่อน้ําตาน้ําลายแล้วก็น้ํามูกก็แต่ละอย่างก็มีอยู่สิบหกรูปเนี่นะเพราะจิตช่รูปแปดอุตุชรูปอีกแปดเอ้ยมันไม่บวกเสียงไปด้วยเลยสมมติหายใจสมมติน้ํามูกเวลาหายใจมันดังมีเสียงดังไม่มีเสียงด้วยเลย จริงอันนี้พูดแบบตรงๆอ่ะนะแบบพูดแบบตรงๆส่วนที่มีอุตุอย่างเดียวเลยนะไม่ได้เกิดจากกรรมไม่ได้เกิดจากจิตไม่ได้เกิดจากอาหารแต่เป็นอุตุชรูปล้วนๆอุตุชรูปเหล่านี้เนี่ยนะถ้าพูดยาวไปอีกหน่อยก็เป็นกรรมมะปัจจยอุตุจิตตะปัจจยอุตุอาหารปัจจะยอุตุแล้วก็อุตุปัจจยอุตุชรูปอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรคืออาหารใหม่อาหารเก่า อาหารใหม่ก็คือที่บริโภคเข้าไปใหม่ๆนะอาหารเก่าคือบริโภคทิ้งไว้นานแล้วอย่างเงี้ย น, น, <ม>น้ำหนองแล้วก็น้ำมูดสีอย่างนี้ก็มีรูปอยู่แต่รูปคืออวินิโพเขารูปแปดเท่านั้นแหละแต่สีคนละอย่างใช่ไหมสีของอาหารใหม่อาหารเก่าก็คนละสีน้ำหนองกับน้ำมูดก็คนละสีกันคนละกลิ่นอีกนะแยกออกเลยโดยกลิ่นก็แยกออกโดยรสนี่ไม่มีใครชิมง่ายๆหรอก แต่ก็มีนะบางคนชิมพวกนี้อยู่เหมือนกันอาหารใหม่สุนักมันก็กินอาหารเก่าสุนักมันก็กินเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นอาหารของสุนักของไก่เป็นต้นมันมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาแต่สิ่งเหล่านั้นก็คือมหาภูตรูปสี่อันนี้เป็นอาการสาสบสองเนี่ยนะอาการสาสองเดี๋ยวขอพักสัก10นาทีหรือ15นาทีก่อนก็ได้จังปาน